ทั้งที่อย่าคิดแต่ว่าจะมาเอาบุญเพื่อจะได้ไปแลกเอาอความมั่งมีสีสุขความร่ำรวยหรือว่าได้บุญแล้วก็อาจจะได้มีโชคมีลาบนะอันนี้หลายคนก็มาวัดก็เพื่อเหตุนี้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 ยังไม่ต้องพูดถึงความทุกข์เดิมๆที่มีมาก่อ น, นหรือว่าความทุกข์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะความพัดพรากสูญเสียเพราะความเจ็บความป่วยเนี่ยธรรมะเนี่ยนะให้อะไรกับเราได้มากกว่าประโยชน์หรือความสุขทางโลกความสุขทางจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ มันมีค่ามากกว่าและความสุขทางใจเนี่ยที่สำคัญคือความสงบเป็นความสงบที่ไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยสิ่งแวดล้อมมากเท่าไหร่ก็ได้หมายความว่าข้างนอกเสียงมาเจอก็ะทึกคึกโครมยังไงใจก็สงบได้แดดจะร้อนอากาศจะอ้าว แต่ว่าใจก็สงบเย็นได้ความสงบเย็นเนี่ยนะเป็นความสุขอย่างยิ่งยิ่งถ้าเป็นความสงบเย็นเพราะไรกิเลสหมดอวิชชาเนี่ยก็ยิ่งเป็นสุขอย่างไม่มีอะไรจะมาเทียบเคียงได้ด้วยเป็นบรมสุข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 นะที่สูญเสียพัดพรากไปพอนึกนมันจะโกรธได้หรือนึกแล้วมันถึงจะเศร้าได้หรือเว้นแต่ว่ า, ามีคนมาพูดร้ายทําร้ายนะกับเราในขณนะนี้เนี่ยอันนี้ก็โกรธได้เหมือนกันแต่ในเวลาที่เราเรียกว่าอยู่สบายเช่นอยู่ตรงเนี้ยขนาดเนี้ยหรืออยู่ที่บ้านก็ได้ ทังทั้งที่มันก็ราบรื่นดีแต่พอคิดนะถึงเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดมันก็เศร้าเสียใจอะไรอาวรณ์หรือไม่เช่นนั้นนะก็โกรธ ถ, ถ้าไม่ใช่นึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ก็วาดภาพเป็นตุเป็นตะว่ามันจะต้องแย่อย่างนั้นลําบากอย่างนี้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 ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะรถติดเนี่ยมันแค่ทำให้เสียเวลาแต่ว่าพอปล่อยใจลอยให้ฟุง้งมันไม่ใช่เสียเวลานะมันเสียอารมณ์หรือบางทีเสียสติเพราะนึกปรุงแต่งไปว่าถ้ารถติดนานกว่านี้เดี๋ยวจะไปสง่งลูกไม่ทันเดี๋ยวจะตกเครื่องบินเดี๋ยวจะผิดนัดสำคัญ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 จัดการกำจัดมันอย่างไรจิตใจจะได้สงบสุขนะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกขนะ์ความตั้งใจแบบนี้มีประโยชน์นะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าพอเรามาปฏิบัติธรรมมาเจริญกรรมฐานเราก็ตั้งหน้าตั้งตาจะกดข่ม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 ตั้งแต่มาปฏิบัติที่วัดพอกลับไปก็ยังคงทำอย่างนั้นอยู่ยังคงรักษาสติความสึกตัวเอาไว้ได้มีสิ่งรอบภายนอกอยังไงมากระทบนะความคิดมันเกิดขึ้นมากเพียงใดสติความสึกตัวก็เอาอยู่ใจก็สงบได้สงบได้เพราะไม่ใช่มีไม่ใช่เพราะไม่มีสิ่งเล่าไม่มีสิ่งกระทบสิ่งกระทบก็ยังเหมือนเดิม